ก็มีเท่าไรไม่ต้องควักสักแดงสักบาทเอาหัวใจมาก็พอไม่ต้องรอก็ขอประกาศว่างานนี้ของฟรีแน่นอนให้เจ้าพา ใมาให้กันดื่มดวงใจของกันและกันดื่มให้ความสัมพันธ์ยืนยาวให้เจ้าพา ยือนถึงิมันต้องกินด้วยกันสักมือคนไทยด้วยกันูพันแน่นามาถึงเรือนาเยือนถึงิมพันต้องกินด้วยกันสักแฝดขมกับจวนกับลาวข้ามาบ้านเราอยเาียงดูอย่างดีรินรินเข้าไปรินเข้าไปก็เร่งเข้า ของกันและกันดื่มให้ความสัมพันธ์ยืดยาวให้เจ้าภาพ